คืออยากจะทราบอันนี้หลวงพ่ อ, อไม่ให้ไม่ต้องไปรู้เรื่องขอ้มก็เลยไม่ทราบว่ามันจะทรงฌานแล้วเนี่ยมันมีสัมปชัญญะไหม่ก ท, ที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าฌานที่หนึ่งท่านบอกว่ามีปิติมีมิตรวิญญาณปิติสุขิตกัิบกันาอยู่ใชอไมแต่ในช่วงที่เราเดินน่รคิดนู่นคิดนี่ว่ามีสม บ, บุกว่าไม่สม บ, บุกว่าแต่เราก็ตามดอยู่ตามดูอยู่ พอเราตามไปนานการความรู้สึกสบายไม่สบายไปนานหรือที่มันเข้าไปเสกมันก็ความรู้สึกวิตกวิจางหรือความคิดแค่คิ ด, ค ด, ค ด, ค ด, คดน้อยแล้หายไปที่สึกดื่มไปแล้วความสบายมันเปนชาที่2คือชานนี้ที่เอื่อต่อวิปัสสนาแต่ชาแบบไม่เอื้อตวิปัสสนาเข้าไปในความส ม, มุกเลยเข้าไปเสกในความสมงบพอเราตามการวิจัยไ ป, ไ ป, ไปนาเข้ามันส ม, มกุกพอสมงมบก็บเข้าไปเสกเสกในความสมุก เข้าไปสู่ชานเหมือนกันชานที่12ึ like ่สาสีนกันแต่เป so ็นชานแบบปรามที่เขาเขาพูดก <No? S 1> <Here you S 2> ันนะนะเป็นฌานแบบปรามเพื่อแบบที่ไม่เอื้อต่อวิปัสสนาแต่ขณะเดียวกันชานที่เอื่อต่อวิปัสสนาเราไม่จําเป็นต้องนั่งเสียความสงบนี่นิงๆแบบไม่รู้อะไรแต่เราสามารถทํางานได้เราสามารถทําอะไรก็ได้แต่ว่าจิตขณะนั้นไม่มีวิจตุไม่มีวิญาแล้วก็ไม่พอความเบิ่งความสุขเกิดขึ้นก็ไม่เข้าไปเสกไม่เข้าไปเบิ่งรู้ตัวอยู่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 การที่สงบจับความสบายไม่สบายหรือที่ไม่เสกตัวนั้นเป็นสมถะแต่พอจิตสมงบแล้วไม่เข้าไปเสกในความสุขไม่เข้าไปเสกในตัวฌานตัวสมาธิขั้นสูงแต่เข้าไปรู้เฉยๆซึ่งในขณะนั้นเราจะทําอะไรอยู่ก็ได้ลักษณะ น, น, นี้เป็นฌานของนิพพานาแต่เราไม่เรียกว่าชา น, นเรียกว่าตัว อย่างปาัญญาหรื อ, รอรนิพพานญาก็เกิดมาจากตัวสติสามัญยอเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆเปลี่ยนตัวเป็นสมาธิเปลี่ยนตัวเป็นอุเงกขาเปลี่ยนตัวเป็ น, ปนยยาน์อันนี้หลัวิชาเนะเพราะฉะนั้นเวลาฟังเข้ามาก็ต้องเขาจะใหถึเงเแต่คุณมาีเวลาเดินไปนา น, า น, น, นตัวเบื่อ ต, ตัวเพลินตัวงเหลือน้เป็นีจัดการได้ดี อ, อย่างสหรับเรป็นตัวนัคือไม่มีความง่วงนะฮะ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 ที่เาบอกไปมันสองยากาศใช่คือยกาที่มีสากในห้องอกียากาที่สวนในป่ารที่เป็นมชติการตามรู้สอย่างเนี่ยมีความต่างไหมแตกต่างกันค่ะถ้าเราปฏิบัติอยู่ในห้องนะคะเราจะเหมือนกับมันจะทำให้เรามองไม่เห็นข้างนอกใช่ไหมเะรางนั้นเนี่ยความ